ขับรถตามหลังขบวนเสด็จรถติดมไหมติดไห ม, ไ, หมไม่ติดจังทร์ระยะให้ดีแล้วกันเดี๋ยวรถไม่ติดตคนขับรถติดคุกตรงเนี้คท้ายๆกันก็ลังเล่นไพ่แล้วแค่เดินนั่งไปกินน้ยงแก้วเดียวโ ด, โดนจับด้วยเนี่ยมันเพราะอะไรกรรมของอื่นตกมาถึงเราเลยในชีวิตเบื้องต้นของท่านเนี่ยท่านมีความสุขมีประสาทสามฤดูอยู่ นี่ก็เป็นธรรมดาของลูกผู้ลากมากดีลูกท่านหลานเธอสมัยนั้นเป็นอย่างนี้ทุกคนนะเพียงแต่ว่าสามฤ ด, ดูนั้นชื่อว่าสามฤ ด, ดูแต่ว่าเรียกว่าคุณภาพไม่เท่ากันนะฮะตามต่างกันไปตามระดับผู้ฐานะความจริงผมกปลูกได้สามือูหลายคนก็อาจจะปลูกได้แต่บางคนแค่ หลังเดียวทุกฤดูยังหาไม่ได้เลยยิ <L> ่งนานเข้าว่ารู้สึกว่าจะจะต่างอยากอื enfin ่นทุกวันอนนี้ทำไมถึงได้มาบวชล่ะก็ได้ความว่าเมื่อพระพูทมีภาคเสด็จมาที่เมืองสาเกตถึงทรงเสด็จหลายครั้งแล้วก็เกิดเรื่องราวแปลกประหลาดที่นี่ก็หลายครั้งมาเจอพ่อเจอแม่ชาติก่อนแล้วมาตูพระพุทธเจ้าเป็นลูกก็ดีเนี่ย สาเกตาพรามเพราะว่าผูกพันเป็นพ่อเป็นแม่กันมาแต่ปางก่อนก็ได้ไปฟังธรรมที่พระพุทธเจ้าแสดงแล้วก็แน่นอนเราก็เดาได้ว่าเริ่มใสแล้วบวชบวชแล้วก็ไปปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานอยู่ในถ้ำจะเดินวิปัสสนาอยู่ในนั้นไม่นานนะครับในภาษาเดียบรูเป็นปราลานแล้วก็ตอนหลังก็ได้กลับมาสงเคราะห์ญาติ แสดงธรรมแก่ญาติพี่น้องพวกญาติพี่น้องก็ขอลองว่าน่าจะไม่พมนักจำรรษาอยู่ประจําเสียที่นี่ญาติโยมญาติพี่น้องจะได้อุ่นใจแล้วก็ได้ทําบุญทํากุศลท่านก็บอกว่าท่านชอบที่สงัดไอต้ตรงนี้ก็คือตรงนี้น่ะเป็นเรื่องข้อที่แล้ว เราทำข้าใจเกี่ยวกับเรื่องทำมากเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรมสองด้านแล้วมันไปได้วยกันไม่ได้ในกล่าวเดียวกันเนี่ยได้ทุกเรื่องนะเพราะบางทีเนี่ยไอคนมาทักท้วงก็บอกว่าเอ๊ะอย่างยกตัวอย่างว่า อ, อคนหนึ่งเอาแต่สอนไอคนที่เขาไม่ชอบฟังนักปฏิบัติเขาก็บอกเขาเอาแต่สอนไม่ได้ปฏิบัติก็อยากให้ไปปฏิบัติ คนที่เขาอยากฟังอยากเรียนหรือทํางานรับผิดชอบลงเขาก็อยากให้สอนก็เลยดึงกันไปดึงกันมาแล้วก็เอาอีกด้านหนึ่งเนี่ยมาตาหนิข้างฝ่ายพวกเขาอยากให้ปฏิบัติก็บอกเขาเนี่ยเอมัวแต่ยุ่งกับบริโภคและอะไรทํานองอย่างเนี้นะฮะฝ่ายพวกปฏิบัติก็เห็นแก่ตัวก็ก็พูดกันอย่างนี้แม้แต่พระเจ้าที่ทันปฏิบัติอยู่ในป่าบางพวกก็ไม่แม้อนุโมตนาด้วยว่าท่านเห็นแก่ตัวจริงๆแล้วถามว่าทั้งสองกรณีนี่ ไอ้กรณีใดบางเป็นอกุศลเป็นอกุศลขิตไม่มีแล้เป็นบุญทั้งนั้นบุญคนละด้านไงเพราะฉะนั้นถ้าใครที่จะอ้างว่าไม่ทําบุญอย่างนี้เพราะบุญอื่นไม่เป็นความผิดอาจเป็นความถูกในระดับต่ํากว่าก็เป็นได้แต่อาจจ ะ, ะหมายถึงต้องให้คะแนนมากกว่าในบางกรณีก็ได้ยกตัวอย่างว่าเราถ้าเราไปเข้ากรรมฐ า, านชอบเข้ากรรมฐ า, านไม่คิดจะไป แนะนำใครเกี่ยวข้องกับใครบอกเขเนี่ยดีกว่าเพราะเป็นภาวนาใหม่แต่ว่าอีกคนหนึ่งต้องเหน็ด ต, ต้องเหนื่อยไปเสาะไปเอาธรรมะไปให้เขาเนี่ยนะไปขวนขวายอย่างนั้นสงเคราะโดยบุญกิจยาแล้วก็เป็นแค่ธรรมเทสนาใหม่วุ่ยาวัจไามัระดับต่ำแต่พูดถึงในแง่ของความเสื่สารน้ำพักน้ำแรงเนี่ยบุญกิจยาวัตถุต่ำกรณีนีน้กับสูงกว่าใช่ไหมเหมือนคล้ายๆพระโพธิสัตว์คนนั้นเรื่องนี้เนี่ย ไม่ใช่การพูดเอาผิดเอาถูกกันโดยไม่ฟังเงื่อนไขแง่มุมหรือเหตุปัจจัยที่สมควรจะพิจารณาจ้างใจในแง่อื่นท่านก็เลยลาญาติลาโยมโดยอ้างว่าท่านถือเอาธรรมะที่ท่านพึงเสพเนี่ยเป็นสำคัญท่านก็ไปตามทางของท่าน ไม่ได้ถือเอาความเมตตากรุณาคิดเกื้อกูลเป็นหลักถ้าอย่างนั้นท่านก็คงอยู่เพราะถ้าขืนเอาเอาคนอื่นเกื้อกูลเป็นหลักเนี่ยเกิดเขาบอกท่านศึกมาเถอะมากล้องบ้างกล้องเมืองศึกมาเถอะเลี้ยลูกเจ่ากําลังอยู่กำ ล, ลังกินกําลังโตอ่างไปอ่างมาก็เลยศึกเลยโจนบาขึ้นแหนท่านตั่งกรรมโคกกระท่านตั้งให้พลามปเนี่ยปลนสําเร็จทุกปี ช่วยไปเป็นหัวหน้าโจนในสักปีเนอะเลยไปกันใหญ่เลยทีนี้พระเลยกลายเป็นโจนไปเลยเนี่ยถ้าจะจะจะนึกกันแบบไม่มีข้อจำกัดนี่นะจะมีหรือเปล่าก็ไม่รู้หานเลยไปถึงองค์ที่สองร้อยสามสิบสามองค์ที่สองร้อยสามสิบสามชื่อว่ากาลุทายีในพระพุทธศาสนาเรามีพระอุทายีที่มีชื่อปรากฏดังเท่าๆกันอยู่สามรูป ดังดีสองดังไม่ดีหนึ่งองหนึ่งคือกาลุธายีแปลวอุทายีดำผิวดำองค์นี้สําคัญครับดำแต่ข้างนอกแต่ข้างในบริสุทธิ์ปร่งใสอีกองหนึ่งคือมหาอุทายีซึ่งจะกล่าวเป็นเป็นองในลําดับสราจะถึงวันนี้หรือเปล่าไม่รู้นี่ก็เป็นอารานอีกองหนึ่งชื่อว่าโลลุธายี หรือลาลุทายีแปลว่าอุทายีหล่อแหละโลเลเหลวไหลก็ได้แปลว่าเหลวไหลก็่อุทายีเหลวไหลชอบทำอะไรเหลวไหลเหลวไหลมันไม่ชวนตลกหรอกครับมันชวนสมเพศละกวนโมโหถ้าพูดถึงสังคมอย่างเราเลยกวนโมโหเช่นวันดีคืนดีก็ไปขึ้นธรรมาสต์รองท้าภาษาลีบุตรอยู่ไหนมาเทศแข่งกะตมา พระโมคคัลลานะอยู่้นมาเทกังกันเนี่โยโอกุยวยกโยงอยงนี้นะพอมาเขาจริงๆรีบลงจาก ร, รมาธเลยเปิดแนบไปไหนก็ไม่รู้แม้ไม่รับผิดชอบเลยเนี่ยแต่ามาบทเล่าเป็นลักษณะตลกตลกอย่างนี้แต่สมัยนั้นท่านคงไม่ตลกด้วยองค์นี้เป็นอุทายีต้องนับว่าดังที่สุด คนอื่นอาจจะไม่รู้จักชาญยีสองรูปนั้นแต่จะต้องรู้จักอุทายยีรูปนี้เพราะชีวิตของท่านปรากฏอยู่ในพุทธประวัติเห็นเจ้าว่าตัง้งแต่หน้าแรกเลยทีเดียวเพราะอะไรเพราะท่านอุทายยีองค์นี้เป็นสหชาติหนึ่งในเจ็ดของพระพุทธเจ้าเกิดวันเดียวพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านะทรงปฏิสนธิลงสู่ประคันวันประลหัด แล้วก็คลอดออกมาจากพระคันพุทธมารดาวันศุกร์แตสร้วนพุธปรรณิพานวันอังคารใครเกิดวันศุกร์นะครับเกิดวันเดียวพุทธเจ้าแต่วันถ้าสิบห้าค่ำด้วยวก็แหมสิบห้าค่ำด้วยเดือนหกด้วยวก็โอ้ชั้นหนึ่งเลยคุยได้ตลอดชีวิตเลยภูมิใจเนี่ก็ดีจะได้หักไม่ได้เอามาเป็นประโยชน์กิเลส ได้เอามาคิดในทางทำให้ตัวเองดีตามท่านไปปฏิสนธิวันประสูตินะปฏิสนธิเมื่อไหลยังไงนั้นอุตายีอาจจะไม่ได้ปฏิสนธิในเวลาเดียวกันแต่วันประสูติประสูติตรงกับพระพุธเจ้าแต่ว่าโดยชาติกำเนิดของท่านกาลุทายีเนี่ย <c oughs> ชื่อเดิมจริงๆที่พ่อแม่ตั้งให้ชือว่าอุทายีอุทายีนั้นหมายถึงผู้ที่ยังความสุข ให้เกิดขึ้นแก่บุคคลอื่นเป็นลูกอมาตของพระพุทธบิดาเมืองกระ บ, บิลพัทก็ว่าเกิดในรัวในวังเช่นเดียวกันเป็นถึงลูกองค์มนตรีอย่างเราเรียกในสมัยนี้ เมื่องจากว่าท่านเป็นคนที่ผิวค่อนข้างคล้ำจึงเรียกว่ากาละกาละแปลว่าคําหรือมืดบาลีบางทีก็เรียกนิลละแปลว่าเขียวก็ได้คล้ำก็ดำก็ได้นี่เ้าเรียกว่ากาละทำนองกาละปักข้างแรมข้างมืดเลยทำให้นึกว่า ฉลอยว่าคนในเมืองกระบิ่ลพัดเนี่ยไม่ใช่แขกดำอย่างเดียวนี้อันนี้ก็น่าจะยืนยันใช่ไหมงั้นคงกาลุกาล่ากันเต็มไปหมดใช่ไหมละ่ะมันมุมเต็มไปหมดแล้วจะไปเรียกการดำเหมือนกันนี่ถ้าเป็นพวกมีรักขาไม่ต้องไปเรียกการละเพราะว่าผิวคล้ำอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ว่าคนทางเนปาลอย่างในปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่เป็นคนผิวคล้ำเป็นพวก อ่ามีชาติจิพันธ์เป็นผูโมงกุลอยผิวเหลืองคลๆอย่างคนทางไทยแล้วนี่เพราะนั้นใครที่เกิดมาแล้วผิวคล้ำหน่อยเลยปิดถูปิดตาเขาเลยจะเรียกว่านายกาลละเป็นกาลุธายีไปโอขึ้นมาก็เป็นเพื่อนเล่นของพระพุทธเจ้าตังกะเล็กตังกตเด็กเพราะนั้นคุ้นเคยรู้ อ, อกรู้ใจกันดีมากแค่นี้เมื่อ เรารู้อยู่อย่างหนึ่งในพุทธประวัติว่าพอพระพุทธเจ้าเสด็จออกประนดทรงแสดงธรรมจักในภรษาแรกและในภรรษาที่สองเสด็จมาประทับที่เมืองราชกฤตที่พระเวรวันน่ะพระเจ้าพววิมีสานสร้สางถวายตอนนั้นแหละครับข่าวเข้ า, ขาไปถึงพระโสดของพระพุทธมิดาว่าเวลานี้พระโอรสเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วทําอะไรอยู่ที่ไหน ก็ส่งพูดมาถึงกี่คณะนะยําได้ไหมยําได้ไม่กี่คณะนะก่อนที่คณะเนะขาท่านอุทายีจะมาเนี่ยะนะเก้าคณะเพราะว่าปรากฏวร ส, ส่งไปทั้งะนะเก้าคณะเหลือล่มหมดแต่เป็นอยงสมัยพอ่อที่ศาตร์ของเรานะ่เหลือล่มหมดไปไม่ล่มใดดีก็ถึงวลังเศ่ก็สมัยเจ้าพญาโกศปานท้งนอกนี้หมายความว่า ไปบวชมโหกไปถึงพระพุทธเจ้าแสดงธรรมอยู่ฟังธรรมะเลื่อมสายบรรลุเป็นพลลระอรหันต์ท่านบอกพอบรรลุเป็นพลลระอรหันต์แล้วเนี่ยสํานึกของความเป็นสัปปุริสสชนปรากฏพระไม่ต้องอาคั้นอหรหันต์แล้วแค่สาธุชนค่อนข้างดีถงสูงหน่อยเนี่ยการลูกการละเทสาอะไรควรไม่ควรเนี่ยเกิดแล้วครับจะไม่พยายามเอาไอ้จุดมุ่งหมายตัวเองอย่างใดอย่างหนึ่งที่พกมาเนี่ย มาดันทุลังกัสถานการณ์อะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าที่มันไม่ควรจะทำไม่ควรจะแสดงออกโดยวัตถุประสงค์ตัวในตอนนั้นดังนั้นท่านจึงบอกว่าพอเป็นพระอรหันต์แล้วย่อมรู้การอันควรจึงเงียบเสียรู้ว่านี่พระผู้มีพระภาคคงรู้ว่าไม่ใช่การเรานึกดูให้ดีนะนึกดูว่า พอมาเป็นพระอรหนต์ทำไมนึกถึงใจนึกถึงกิเลสนึกถึงอะไรของคนที่ยังไม่ได้มาพบธรรมะอย่างนี้โอ้โหนี่เหมือนกับว่าเราเนี่ยไปเอาพาระของคนที่ไม่รู้เหนือรู้ใต้อะไรควรไม่ควรแล้วมาพูดกับคนที่เป็นอย่างนี้มันไม่น่าพูดเลยไม่น่าเอาเรื่องอย่างนั้นมาพูดกับคนอย่างนี้เลย คนอย่างนี้เขารู้อะไรควรไม่ควเนเะนี่ยว่าฟังใกล้ๆอย่างนี้นะเลยไม่ใช่ลืมหรอกครับแล้วก็ไม่ใช่ทอดทุระแต่เป็นคนรู้ทุระที่สมควรแก่กาลละเลยบวชเงียบปิดปากเงียบอีกชุดหนึ่งก็เงียบอีกชุดหนึ่งก็เงียบทางนน้นนาะโมโหอยู่มโมโหแล้ไม่รู้วโมโหปรหลาดแล้วแล้วก็ไม่รู้ว่าบวช ก็จึงปรึกษากาลุทายีนี่ได้แผนใหม่ว่าแม้เราในส่งคนอื่นไปได้ทําไมไม่ส่งเพื่อนเล่นตั้งกระเด็กเพราะถึงยังไงก็น่าจะพูดกันรู้เรื่องส่งคนนี้เป็นหัวหน้าทูตไปดีกว่าก็เลยเรียกมาตั้งเป็นทูตส่งไปเงียบอแต่นี่ไม่ได้เงียบตลอดนะเงียบอยู่พักหนึ่งก็เลยนึกแม้ คนพวกนี้อยู่กับเราเราชุบเราเลี้ยงมาแท้ๆไม่เอาการของเราเป็นธุระเลยเนี่ยไปแล้วก็บวชหายไปหมดแต่ว่าท่านอุทายีก่อนจะไปท่านบอกว่าวิธีนะนจะด้วยอะไรก็ไม่ทราบท่านบอกว่าวิธีที่จะทำให้พระลูกเจ้าเสด็จกลับมาได้บางทีข้าพระองค์จะต้องบวชนะ พูดว่าท่านก็บอกว่าเอาเหอะจะบวชจะอะไรก็ช่างขอเอาลูกไม้ได้ก็แล้วกันก็ mm hmm. อพอไปได้เป็นอราหันต์กันหมดบวชทีนี้ท่านคล้ายๆเป็นคนที่จะมีบา ร, รมีดังนี้อนะจริงๆก็มีบา ร, รมีดังนี้ว่างานอันนี้เป็นงานของท่านและจากผลงานอันนี้ทําให้ได้รับยกย่องแต่งตั้งเป็นผู้เลิศในทาง ทำศรัทธาให้เกิดแก่ชนเป็นอันมากเกิดที่ท่านใช้คำว่าทำสไต้เกิดแก่ส ก, กุลส ก, กุลนะหมายถึงส ก, กุลของพระบุตรเจ้าเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวว่ายฟังท่านก็อยู่รอจนกระทั่งเริ่มจะเข้าฤดูฝนอันนี้เป็นความละเอียดนะท่านว่าเมื่อเข้าฤดูฝนเนี่ยนะะ ซึงไม่ได้ไปแปล ว, ว่าฝนตกชุกตอนนั้นดอกไม้กำลังเขียวขจีสวยงามอต่างๆนี่นะท่านถึงจะคูณเสด็จไปดังเมื่อไปทูลเสด็จเนี่ยท่านจะกราบทูลว่าบัตรนี้เป็นเวลาที่จะเข้ายืดฤดูฝนแล้วดอกไม้ก็ดีใบไม้ก็ดีกำลังเขียวขจีสมควรจะเสด็จไปพระพุทธเจ้าก็ทรงรับอาราธนาโดยให้ โดยพระเจ้าเนี่ยสเสด็จไปพร้อมกับภิกษุสงฆ์มูใหญ่ด้วยเท้าเปล่าวางนะนะเสด็จไปเรื่อยท่านอุทายีเหาะไปสะเสด็จไปได้ลิตแล้วก็ไปเตรียมทำความเข้าใจเตรียมการต้อนรับทำให้เกิดศรัทธาซะก่อนว่าลูกที่จะมาเนี่ยไม่ใช่ลูกในภาพพจน์ในหัวใจที่ญาติพี่น้องพกเก็บเป็นความ ร, รู้สึกไว้นะลูกลูกข อ, ของพระองค์เนี่ยว่าโอระอง ค, เองคเ์เป็นอย่างที่ขาพระองค์เป็น ตอนมาเจอกันทีแรกนะพระเจ้าสุโธธนะยังจําไม่ได้เลยพวกใครกลายเป็นคล้ายๆว่าคนประหลาดพราะไม่เคยใครเห็นใครแต่งตัวอย่างนี้ก็ไปแสดงทำจนกระทั่งเลื่อมใสแล้วก็ฉันนิมนทรฉันทั้งกระฉันแล้วก็บอกว่ากอนเวลานี้เสด็จมาแล้วจะถึงนี่ถึงนี่แล้วท่านก็เป็นผู้คอยบอกให้เตรียมการแล้วก็นัดให้ไปพบกันที่บริเวณแม่น้ําโลฮีนี เป็นปากน้ำด้านทิศใต้ผมก็พูดไปตามตัวหนังสือนึกว่าไ่ออกอยู่ตรงไห น, นไปพบตรงนั้นไปเฝ้าตรงนั้นสัา น, นการพบพระพุทธเจ้าครั้งแรกไม่ได้ทรงเสด็จมาถึงในวังแต่เสด็จไปตรงนั้นญาติโยมไปพบท่านตรงนั้นเรื่องเข้าวังก็เป็นเรื่องทีหลังต่อมาจึงได้แสดงธรรมพระเรื่องต่างๆแล้วก็มีผลสืบต่อมาถึงเกือบจะเรียกได้ว่า นำเอาคนในวังเนี่ยเกือบจะทั้งวังมาบวชเป็นพระอรหันต์กันก็เยอะทั้งนางสนมกำนันในเอลูกฝี่ลูกน้องฝี่น้องรวมทั้งพระโอรสด้วยรวมทั้งพระนางเยโสตราพิมพาด้วยมากันตามระดับการพระหน้านางด้วยเออ่นี่ก็เป็นเรื่องของท่านนะนะผมผ่านไปถึงองค์ถัดไป ชื่อว่าเอกวิหาริยะตามในนี้แต่ว่าท่านต้องจดเข้าไปอีกชื่อหนึ่งที่ท่านเรียกไว้ในที่ทั้งหลายว่าองค์นี้คือชื่อตัวเนี่ยคือติดสพระติดสติดสาในสมัยพรธเจ้ามีหลายองค์มากเป็นชื่อนิยม คืพูาเป็นชื่อโหลของคนอินเดียสมนะัยนั้นติดสะแม้แต่ภาษาริบุกก็ยังชื่อติดสะติดสะเยอะแยะไปหมดเวลาอาจารย์แต่งคำภีพยากรอะไรสมมุติขึ้นมาใส่ติดสะสมมติเข้าไปเลยเป็นตัวสมมติสมมุติว่านายติดสะตาลูปนี้เป็นติดสะที่มีฐานะเป็นน้องชายของ พระเจ้าอาโศกมหาราชแสดงให้เห็นว่าไม่ใช่เป็นพระอาหารหันต์สมัยพระพุทธเจ้าครับแต่เพราะว่าท่านชอบอยู่วิหารผู้เดียวชอบอยู่หลีกเล่นนะท่านจึงเรียกว่าท่านเอกาวิหารหรือเอกาวิหาริยะผู้อยู่หลีกเล้นผู้อยู่ผู้เดียวเป็น ความนิยมในทำส่วนนี้อย่างยิ่งของท่านก็สืบเนื่องมาจากการสั่งสมอบรมที่เราไว้ชัดเจนว่าสมัยพระพุทธกศาศสปานี่ก็เคยบวชเป็นพระมาแล้วแล้วก็เป็นพระที่บวชแบบอยู่หลีกเล่นเป็นอมนิสัยสั่งสมสืบต่อกัอนมาหลายภพหลายชาติน า, างาท่านเองจึง าระบุว่าเป็นทัะกนิษพาดาของพระเจ้าธ ร, รมมาโศกราชหรือพระเจ้าโกมาราชที่ตินฐานบานเกิดภูมิลำเนาก็คือเมืองปาตาริบุตรนั่นเองครับพระราชบิดาก็พระเจ้าปินทุสารแล้วก็ตำแหน่งสูงสุดก่อนบวชเป็นพระอุปราชเป็นรองพระราชากรนีวันหนึ่งเนี่ยพระเจ้า อาโศกต้องการจะทําให้น้องชายเนี่ยเลื่อมใสพระพุทธศาสนาให้ได้แล้วก็คิดว่าคนที่จะทําให้คนเลื่อมใสถึงกับเปลี่ยนศาสนาอื่นเนี่ยจะ ต, ต้องเป็นคนที่มีพลังสูงบางทีพ่อแม่พี่น้องพูดเองก็ไม่เชื่อต้องให้คนอื่นพูดแล้วก็บางคนต้องให้พ่อแม่พี่น้องพูดเองด้วยข้อชักจูงบางอย่าง แต่ว่าถ้ามีพระอาหารหันต์มีพระดีๆอยู่เนี่ยพระพูดนี่จะดีที่สุดตอนนั้นก็มีพระหลายรูปแต่มีอยู่องค์หนึ่งที่จังหวะนั้นอยู่ในสภาพการที่พอจะสงเคราะห์สร้างสัตยาให้เกิดกับเจ้าชายติษาได้พระองค์นี้มีชื่อว่าพระโยน ก, กะธรรมรกิตะ พอเอ่ยถึงโยนากาเนี่ยเราก็นึกในทันทีว่าเป็นธรรมทูตสายหนึ่งอดูเหมือนจะสายตะวันตกที่พระเจ้าอาโศกทรงส่งมาเผยแพร่ที่สุนาบรันตะชนบททางทิศตะวันตกคือท่านพุนี้เองเป็นพระอาจานย์ก็เป็นพระเชื้อสายกฤตนะเป็นพระเชื้อสายกฤีไม่ใช่แขกแท้โยนกเนี่ย เป็นพวกอินเดียก็เรียกกลิกโย น, นเลยมาเป็นชื่อของท่านอยู่ในป่าพระเจ้าโสก็วางแผนให้เข้ามาในป่าไปพบท่านตือนี้เหตุการณ์ที่ทำให้ศรัทธาทันทีนะคือตรงนี้พระป่าเนี่ยท่านมีความลับตั้งโดยตั้งใจไม่ตั้งใจเยอะเช่น อย่างกรณีพระองค์นี้เจ้าชายติดสาไปเห็นตอนที่ท่านกําลังอยู่กับช้างช้างนั่งคอยปรนิบัติท่านอยู่มาพูดกันรู้เรื่องอ่ะพระโยน ก, กะไม่ใช่ควานช้างช้างไม่ใช่มนุษย์แต่พูดกันรู้เรื่องช้างรู้ความต้องการของท่าน อันนี้ผมก็บอกบ่อยๆแล้วว่าคนที่มีบารมีทําทางปฏิบัติสูงเนี่ยทําให้คนให้สัตว์เนี่ยได้สติโดยอัตโนมัติเนี่ยเกือบจะเป็นธรรมดาแม้แต่ยุงแม้แต่หนอนแม้แต่ไต้เดือนแต่นี่ผมพูดมากไปเลยแต่เดือนยังไม่เคยเจอตัวอย่างหนอนก็ยังไม่เคยเจอตัวอย่างแต่ยุงเนี่ยเจอตัวอย่างมาแล้วคุยคุยกับยุงรู้เรื่อง พรากรรมฐานดี่ท่อย่างท่านพหลีเนี่ยยุงสมาตอนอยู่จันบรุรีมาจากทะเลเต็มเนี่ยมากัดยุงของท่านท่านพูดกับยุงไล่ยุงกลับทะเลได้ใหญ่ๆอย่างนี้จะพูดไม่ได้เรายังพอพูดกับมันได้บ้างเลยใช่มะถ้าเสพคุณฝึกฝนสัหน่อยสุดที่ท่านเลื่อมสายเพราะธรรมดาเนี่ยช้างป่าเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วมันไม่ยิ่งไม่เหมือนช้างบ้านช้างบ้านยังทํางนี้ไม่เป็นนะ เป็นแต่จ้างบ้านเราอะเฮียมาฝึกงานินเมื่อได้เห็นอย่างนี้ก็ตัวเองก็เลื่อมใสเลื่อมใสว่ายังไงอารมณ์เลื่อมใสคนี่มีหลายแบบแบบหนึ่งอย่างที่หลายๆคนอาจจะเคยเกิดมาแล้วหรือกําลังเกิดอยู่คือเลื่อมใสอยากจะเป็นอย่างนั้นบ้างคนไปฟังนักการเมืองพูดเอออยากจะเป็นบ้างคนอย่างบางคนมาฟังเขาเทศธรรมะดีๆก็อยากจะเทศบ้าง อยากจะทํางานอย่างนั้นบ้างมีอยู่จริงๆนะมีอยู่ตลอดเลยแล้วต้องต้องมีอยู่อย่างงี้ตลอดเห็นคนเข า, เาทําความดีอะไรอย่างเป็นแม่แต่ว่าบางคนเห็นคนบางหนึ่งก็ให้ทานเก่งเก่งดีๆหน้าเลื่อมสายตัวก็อยากทําบ้างอยาอยากเป็นอย่างนั้นบ้างมีทุกอารมณ์ความเร่อนใสยไปเห็นคนมีฤทธิ์อยากมีฤทธิ์บ้างเห็นคนผู้กษัตริย์รู้เรื่องสัตย์ศรัรทธาตัวเองอยากให้สัตศรัรทาบ้าง เป็นอย่างนั้นบักซึ่งท่านก็รู้ว่าโยมอุปราชเลื่อมใสอย่างนี้และท่านก็รู้ว่าทั้งหมดเหล่านี้เป็นความอนุเคราะห์ของพระราชาผู้เป็นพี่ต้องการจะขอยืมความสามารถท่านเป็นเครื่องมือทำให้น้องชายเลื่อมใสดังนั้นเมื่อพระติสา กลับไปแล้วยังไม่ได้บวชทันทีกลับไปไปขออนุญาตพี่ชายขอลาวจากตำแหน่งเพร่อจะขอบวชพี่ชายก็ทำท่าชักแม่น้ำทั้งห้าเพื่อจะดูว่าเลื่มสายจริงหรือเปล่าก็ายืนยันว่าท่านจะต้องบวชท่านบวชได้ น, นั้นพระเจ้าโศกสร้างวัดที่เราไปมาแล้ววัดของท่านที่อยู่เมืองปัตตานะชื่อวัดอโศการาม นี่แหะครับเป็นวัดที่พระอาหารหันต์ลูกพระเจ้าโศ ก, ก็เลยทําเป็นพิธีใหญ่เลยทําถนนหน้นทางแพ่กันเป็นการใหญ่เพราะอุปราชบวชนี่ไปบวช ท, ที่วัดนี้แล้วเมื่อไปบวชแล้วก็การไปบวชครั้งนี้นะมีคนสมทบบวช ท, ที่เป็นคนสำคัญอยู่คนหนึ่งบางทีเราจะไม่เคยรู้มาก่อนเลยท่านคงจะจาชื่อของ พระมาหินทเถระได้แล้วก็จำชื่อของพระนางสังคมิตาเถรีได้แล้วก็ได้ยินชื่อของสมณะสัมมเนรท่านทั้งสามนี้เป็นพระอาหารหันต์หมดและพระมาหินทเถระนะ่ะเป็นเกี่ยวอะไรกับพระเจ้าโสกเป็นโอรสพระนางสังคมิตตาเป็นอะไรเกี่ยวพระเจ้าโสเป็นพระธิดาสุมณะ สมเนนเป็นอะไรเป็นหลานลูกใครตอบว่าลูกของพระนางสังฆมิตราเราอาจจะไม่รู้ว่านางนางสังฆมิตราแต่งงานแล้วมีลูกแล้วด้วยคนนะทั้งแม่ทั้งลูกบารมีเพียบแปรทั้งคู่และสามีของพระนางสังฆมิตรานั้นชื่อว่าอักคิพรมมาบวชพร้อมกับท่านติดสากในครั้งนี้เอง ผมสันนิษฐานว่าถ้านางสังฆมิตรนาน่าจะบวชก่อนนะพระมหาหินทาน่าจะบวชก่อนแล้วก็สามีมาบวชที่ที่หลังมาบวชพร้อมกับอาสเสด็จอาบวชที่อาโศการามแล้วก็ในที่สุดเนี่ยก็ได้เป็นอรหันต์กันไปแหละและสิ่งที่ เป็นอัจยะสายท่านในที่ผมว่ามาคือท่านชอบอยู่ในที่หลีกเล่นเพราะฉะนั้นท่านจึงอยู่ตามป่าตามเขาของท่านจนกระทั่งเขาเรียกท่านว่าเอกาวิหาริยะคือชอบอยู่คนเดียวไม่ได้แปลว่าอยู่ที่เดียวนะเอกาในที่นี้หมายถึงคนเดียวแม่ของพระมาหินกับพระนางสังขมิตาเนี่ย ในประวัติเขาบอกว่าเป็นลูกของพระนางเวทีสาที่พระเจ้าอาโศกเมื่อครั้งยังเป็นอุบาลาดอยู่ตอนไปเรียนนะไปไปเจอคู่รักแล้วก็ได้ครองคู่แล้วก็มีเนี่ยโอรสมีธิดา เ, เป็นอลาัานทั้งคู่แล้วพระนางเวทีสาเนี่ยเขาว่าเขาว่าคือในตำราตรลาเขาว่าเป็นผู้ที่สืบเชื้อสายมาจากเจ้าสากยะเมื่อครั้งที่พระเจ้าวิรูดภะตีแตกแล้วก็เจอกันเจอกันนกระดานของพรแล้วก็ คนนี้ก็เป็นทิดาเชื้อสายสกยาพระองค์ที่มาเป็นมารดาของบุคคลทั้งกันทั้งสองเนี่ยแล้วก็รวมไปถึงพระเจ้าโศกด้วยก็เป็นเชื้อสกยาเหมือนกันที่เสื่อนไปกันไปนะหะวังกันตอนนี้ได้กลายมาเป็นโมรียวงแล้วผมขอผ่านไปถึงพระเถระอีกรูปหนึ่ง ที่เราได้ยินท่านค่อนข้างบ่อยเหมือนกันหลายท่านก็จะรู้ประวัติผก็เคยนําเอาเรื่องของท่านมาเล่าประกอบธรรมะในที่อื่นบ้างแล้วคือท่านมหากัรปินะท่านมหากัรพินะนั้นเป็นพระอราหันต์ที่มาจากอาดีตพระเจ้าแผ่นดินอีกพระองค์หนึ่งกรองนครกุกุตะในปัจจันตเจนบทคือ ส, สมัยินเดียเนี่ยจะมีมัชชิมจนบทคื อ, อเดียส่วนกลางก็เราจะครื้สาวถีอะไรเนี่ยนะ แล้วก็ปัจจันตาชนบทคือนอกเขตส่วนกลางทั้งทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันตกทิศตะวันออกเขาก็แบ่งเป็นส่วนอย่างนี้ท่านเองนาะเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่อยู่ในส่วนปัจจันตาชนบทไม่ได้อยู่ส่วนกลางเมื่อได้ครองราชตอนนั้นมีละแค่ละขายว่า มีพระบุทธเจ้ามีคล้ายๆมีผู้รู้เกิดขึ้นท่านก็พยายามวางยามไว้ที่ประตูเมืองให้คอยถามมีคนมาจะเมื่อให้ถามสืบข่าวคือเป็นคนที่ใยธรรมะอย่างยิ่งกระทั่งได้รับสารไม่ไม่ใช่ได้รับสารได้รับข่าวจากพวกพ่อค้าที่เดินทางจากเมืองสาวว ถ, ถีมาสู่ที่เมืองนะั้นพวกคณะตรวจสอบ ที่ปากประตูได้ขา่าได้สาสื่อถามแล้วก็ขอพระบรมราชาเชิญอูุญาตเข้าเฝ้าก็ถามถามว่าเป็นยังไงมาจากเมืองไหนบอกมาจากเมืองสา ว, วัตถีแล้วเป็นยังไงบ้างละ่ะเข้ายากหมากแพงหรืออุดมสมบูรณดีถามสารทุกขสุขดีสุขดีขดจนกระทั่งว่าถามว่าพระราชามีธรรมะวอกมีดีแล้วถามว่าแล้วที่นั่นลนะ่ะเขาปฏิบัติธรรมะของใครอะไรกันพอถึงอย่างนี้พวกพ่อค้าบอกว่าแมเรื่องนี้หน้ายังไม่ได้ล้าง ต้องขอล้างหน้าก่อนให้ใจสบายให้ได้แสดงความเคารพในธรรมถึงจะพูดได้ก็เลยต้องให้ล้างหน้าด้วยสวรรณปิงคาแล้วถึงเล่าว่ามีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นพอได้ยินของพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นคนมีบารมีนะก็เกิดความรู้สึกทราบซึ่งให้กล่าวยืนยันวแน่นะยืนยันถึงสามครั้งแล้วมีพระธรรมคําสอนเกิดขึ้นแล้วยืนยันสามครั้งประสงค์ เกิน้นพอบอกว่าพระสงฆ์เกิดขึ้นแล้วท่านก็ตัดสินใจอย่างฉับพลันขนาดนั้นเลยว่าเราจะต้องบวชแน่จึงประกาศสละราชสมบัติมอบราชสมบัติให้กับผู้ที่อุอออปรลยครองแล้วท่านก็สเสด็จออกบวชมีผู้ตามสสเสด็จบวชอีกเป็นอันมาก้วยเช่นเดียวกันสเสด็จไปถึงแม่น้ำสามแห่งโดยลำดับ แล้วก็การจะข้ามน้ําท่านตั้งสัตว์อธิฐานเป็นตัวอย่างเลยอธิฐานตั้งสัตว์แต่บางบางคนก็ตั้งศาตว์ให้น้ำไหลย้อนกลับก็ได้ตรงนี้ท่านตั้งสัตว์ว่าถ้าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกจริงเป็นพระพุทธเจ้าจริงขอให้น้ําเนี่ยอันพวกข้าพเจ้าสามารถจะเดินหยีบย่าลงไปได้โดยไม่จมคือคงจะมีความรู้สึกที่กล้าแข็งมาก น้ำจะแข็งหรือตัวท่านจะเบาที่อธิบายกันแบบเรื่องฉีดเรื่องอะไรแต่อะไรที่อย่างมันมีความเป็นไปได้อย่างเดือนี้เนี่ยก็แล้วแต่ท่านะพมะทงวอรพล้าเนีชอบลองดีจำมาอย่างนะแต่ลองดีไม่ใช่ลองด้วยอคุลนะบางทีลองบุญก็บองกันกชอบลองดีว่าบุญที่ทําเนี่ยถ้าพระพเจ้าทําแล้วบุญมีจริงขอให้เรื่องเลวร้ายนี่จงผ่านพ้นไปก็ได้ แต่ต้องเป็นความรู้สึกที่ดีนะที่ที่ดีแล้วก็ที่แรงถ้าพระพุทธลูบนิสสักศิกจริงก็ดีพระอาจารย์ในวัดนี้บนเขานี้มีความศักดิ์สิทธิ์จริงก็ดีขอให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าอย่าอย่าไปตั้งมากเกินไปนะโอ้โหมันจะเอานิพพานกลิดของข้าจะแล้วเนี่ยหมายความว่า เป็นไว้ตั้งสัตว์แล้วก็ไอ้สิ่งที่เราขอเป็นเครื่องวิสูจน์เรื่องม้จะเอาถูกหวยลอยโปกันเกินกําลังเกินความที่มันจะเป็นไปได้ไ อ, อย้ยางงั้นก็เกินไปแต่ว่าถ้าเรามีความทุกข์มีความเดือดร้อนในบางสิ่งบางอย่างอยู่สมมติว่าเรารู้ว่าเราเนี่เป็นคนทําบุญกินทานเอานี่บ้านกําลังจะถูกธนาคารก็ยึดแล้วเนี่ยเราพยายามเต็มที่แล้ว โดยประการของแต่วแความดีแล้วก็ทำเนี่ยเรากําลังจะเลิกทำความดีเพราะจะถูกยึดบ้านนี่ยแหละอะไรเงี้ยนะก็ไปไหว้พระแล้วก็ไปตั้งสัตว์อย่างนี้แล้วก็ละทนไม่ไหวครับกลัวจะไม่จัวโยมจะไม่นับถือ <c oughs> ก็มีโอกาสสูงที่จะจะเคยการบําบัดปัดเป่านี่ผมไม่ได้พูดเรื่องเหลวไหลให้ใหฟังันนั้นเนี่ยพูดเรื่องจริงๆในทางปฏิบัติแล้วมีผลได้จริงๆ ตามเงื่อนไขแล้วก็ในตำร า, ามีเรื่องราวอย่างนี้จริงๆแต่เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งจึงได้ข้ามน้ำไปทีนี้ระหว่างน้ำพระเจ้าทรงรู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นและท่านจะต้องเสด็จมาเมาื่อลุงเช้าท่านเหล่านี้ไปติดกายพยานออกบินธบศเสร็จแล้วก็หายพระองค์ไปจากวัดที่เมืองสัวันิมาหลักรอที่ท่าน้ำฝั่งกลงข้าม ที่คณะบุคคลเหล่านี้ะข้ามไม่ถึงพอคณะข้ามไปเห็นพระพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ที่โคนต้นทรยทุกคนเนี่ยสันนิษฐานตรงกันหมดเป็นอันเดียวกันหมดแล้วว่าบุคคลผู้ที่นั่งอยู่นั้นคือบุคคลผู้ที่เรากำลังตามหาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแน่นอนทุกคนก็เข้ากันไปกราบแทบพระบาทว่าข้าพระองค์เป็นสาวก มาเพื่อจะบวชฤทธิ์พระผู้มีพระภาคขออนุญาตบวชทันทีเลยนี่ไม่เหมือนท่านปกุศสติอยู่กันแทบจะตั้งคืนไม่รู้ไม่รู้วพระพุทธเจา้าใช่ไหมจ้นี่รู้เลยพระพุทธเจ้าก็ทรงประทานเอหิภิกขุขขขขอปุปสมบทาให้บวชเป็นกรณีพิเศษเมื่อได้บวชแล้วพระผู้มีพราภาคก็ได้ทรงแสดงธรรม จนกระทั่งท่านเหล่านั้นบรร ล, ลุเป็นพระอาหารหันต์ทั้งคณะแล้วจึงได้พาเสด็จกลับกลับนี่ไม่ใช่กลับเมืองมาที่วัดแต่ในตาราบอกว่าการมานั้นมาแบบมาด้วยฤทธิ์น่ะก็เป็นอาหารหันต์มีฤทธิ์หมดเนี่ไม่ยากอะไรหรอกทีนี้มาพูดถึงท่านมหากราบินะ พอท่านเป็นพระแล้วนะท่านก็ชอบเก็บตัวแต่ว่าภาลหน้าที่หรือบารมีบางอย่างท่านไในมีอยู่คือในเรื่องการเทศวันหนึ่งพระผู้มีพระภาคทรงถามภิกษุที่เป็นอันเทวาสิกสัตว์ที่วิหาริกของท่านว่าเป็นยังไงอาจารย์สอนอะไรบ้างลูกศิษย์ก็บอกาอาจารย์ไม่เคยสอนเลยอาจารย์ชอบแต่เก็บเนื้อเก็บตัวก็จึงใช้ให้ไปตามมาเฝ้าแล้วก็ตรัสว่าเธอจะต้องให้โอววาดอนุเคราะห์ อันเทวาศิกษาที่วิหาริกด้วยโอวาทท่านก็ให้ว่าปรากฏวองแมมท่านทําได้ดีเพราะเป็นบา ร, รมีท่านท่านสามารถที่จะให้อวาทคราวเดียวแล้วคนฟังโอวาทท่านบรรลุเป็นล้าหลานได้หมายก็ว่าบางพวกอาจจะบรรลุในที่นั้นบางพวกก็พอฟังได้เคล็ดได้หลักของท่านแล้วก็ไปปฏิบัติแล้วบรรลุได้โดยง่ายนี่เป็นเรื่องบา ร, รมีของท่านครับจะให้ผมจบแค่นี้ที่จะต่อไปถึงห้าโมงครึ่งดีวันนี้เริ่มช้า เอางี้ดีไหมใครจะกลับก่อนก็ขอเชิญนะก็เชิญกลับไปได้เลยแล้วใครจะอยู่ก็ทนอีกสักสิบห้านาทีสิบแปดนาทีผมจะได้พูดให้พอสมควรแก่เวลาที่ควรจะพูดในภาพปกติอีกองคหนึ่งคือท่านจุลปันทกท่านจุลปันทก ก็คือน้องชายของมหาปัญโกเราเคยพูดเป็นสำนวนไทยว่าตายข้างถนนแต่นี่เกิดข้างถนนเกิดข้างถนนแต่ว่าไม่ได้ตายข้างถนนก็ไม่ต้องเล่าประวัติอะไรของท่านแล้วนะแต่ว่าจุดที่เราจะต้องพูดย้ำกันอีกนิดหนึ่งก็คือว่าเมื่อมาบวชอยู่กับพี่ชายวัดที่ท่านอยู่นะคือวัดที่สร้างโดยหมอชิวโกมาละพัท ที่นั่นและที่ท่านบวชที่ท่านอยู่ก็พี่และได้บรรลุธรรมก็ที่วัดนี้สแสดงฤทธ์ตายเป็นพันองค์ก็ที่วัดนี้เราไปเห็นวัดนี้กันมาแล้วหลายคนใช่ไหมครับชื่อว่าชีวกรรมวันอยู่ติดถนนสายที่ไปทางเมื อ, องรือจือนั่นแหละทำมาจากนาลันทาก็เอ่อมาจากพุทธกยาก็ถึงเวฬุวันก่อนผ่านทั้นั้นก่อน ถ้าลงมาจะย่อเขาแล้วจะคึ้ก็อยู่ทางขวามือเห็นแล้วก็ไม่อยากอยู่นานเลยวัดนี้ไม่มีอะไรเหลือเลยนะต้นไม้ก็ไม่มีสมัยก่อนอมันเกิดเหตุการณ์รุนแรงก็คือว่าเมื่อหมอชีวกเนี่ยมาบอกกับท่านมหาปันถกซึ่งตอนนั้นทำหน้าที่เป็นพัตตุเทศพัตตุเทศจยมีหน้าที่ไปบอกรับนิมนต์นะคล้ายๆว่าโยมจะ ม, มาติดต่อเนี่ยก็จะรู้กันว่าใครเป็นพัตุเทศ ก็ไปบอกว่าท่านโยมต้องการจะได้พระสิบลูกนี่คล้ายๆสังฆทานนะให้ท่านช่วย จ, จัดได้ทีท่านก็จะจัดนะท่านก็จัดท่ด้คนอื่นองค์อื่นหมดมีพุทธเจ้าเป็นปรมุขเนี่ยแต่เว้นท่านจุลปันถกไม่นิมนต์ไปด้วยนอกออท่านจุลปันถกพอรู้ก็เสียใจหนักขออึีขนาดเมื่อก่อนพี่ชายก็คอยว่าเนี่ยรู้ที่กระถา แค่นี้จําไม่ได้ 4, ทั้งสี่ทั้งสามเดือนรเดือนเนี่ยจาไม่ได้เป็นคนอาพับในพระศาสนาเป็นคําที่ถือว่ารุนแรงนะเนคล้ายๆเรามาถูกตำหนิว่าเนี่ยอาภัพอาภัพเรื่องอะไรนี่ก็แล้วแต่ว่าเราจะยึดเรื่องอะไรเราก็เสียใจมากในเรื่องนั้นเช่นว่าเราอยากมีคู่ของเนี่ยคุณอาภัพคู่ครองมก็ไม่เคยมีความสุขนะอถ้าหากว่าเนี่ยเราก็อยากจ ะ, จะเจริญรุ่งเรืองในก้าวในหน้าที่กันอาภัพล้วก็รู้สึกว่า ไม่เคยสบายใจคนที่รักจะเจริญในธรรมสมมุติว่าท่าน ไ, ไปเข้าวิปัสนาแล้วอาจารย์เขาบอกโยมโยมไม่ต้องปฏิบัติอรอกไม่ต้องไปปฏิบัติที่ไหนด้วยเพราะโยมเนี่ยมีอาพับเรื่องธรรมะแม้เราแคบจะอยากผู่ขอบทายเยนะโอ้โหพูดอย่างนี้ถ้าคนนั้นน่าเชื่อถือด้วยแล้วพูดอย่างนี้มันทั้งเสียกําลังใจด้วยอย่างน้อยก็เสียกําลังใจถึงจะไม่พอเชื่อ แต่นี่นะท่านเองก็ไม่รู้อะไรมีแต่ว่ารู้ว่าศรัทธาอยากบรรลุธรรมพี่ชายพูดอย่างนี้พี่ชายบวชมาก่อนก็เชื่อก็เสียใจเอ้นี่ตอนนั้นเราอยู่กระตาดีๆก็มาชวนเราบวชพอมาบวชเสร็จแล้วก็เราไม่ได้อย่างใจก็จะให้เราสึกวายเจ็บช้านั่นใจเลยในประวัติบอกว่าพยืนพระนั้นนี้ไปกันแล้วมีมน ไปสู่ที่ฌานก็นทางวัดแล้ยืนร้องไห้ที่ซุ้มประตูวัดเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะพระพุทธเจ้าทัานรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าแต่ในแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยอย่างดีท่านก็เสด็จไปถามเอามาร้องไห้ทำไมบอกว่าเนี่ยจะศึกแล้วจะไปทูลลาศึกเพราะว่าเล่าเหตุการณ์ให้ฟัง พระพุทธเจา้าท่านก็ปลอบใจพอกเธอบวชอุทิศเราแล้วคนอื่นที่เธอไม่ได้บวชอุทิศให้เขาให้สึกเธอต้องฟังเราอะไรย่างพูดเป็นตำร่องนี้นะ่ะเพราะนั้นก็พูดปลอบใจบอกไม่เป็นไรลักมาเถอะตามให้เสด็จให้ตามมันนั่งที่ระเบียงพระกันตะกุดีแล้วก็ประทานผ้าที่เกิดจากฤลิ์ให้นั่งคลําำระโชะละนางละโชะละนา ง, แ, แ, นงแต่จําม่อย่างไม่มีแล้วจงอนไรติก็แล้วกันนะไม่รู้ แถมมาได้ไงนะละโชวลวนะนังแปลว่าผ้าเช็ดฝุ่นผ้าเปื้อนฝุ่นนี่แหละหรือแปลเป็นแบบอย่างไทยๆคือผ้าคีริว้วในในคีริ้วของเรามันมันมันคีริ้วมาตั้งแต่แรกเดี๋ยวนี้คงจะเป็นผ้าคีริ้วสมัยใหม่นะผ้าคีริ้วชนิดที่ต้องไปซื้ อ, อาตามตลาดมันไม่ใช่ผ้าเหลือใช้ผ้าใช้ไม่ได้จากกระพาอื่นแล้วเป็นคละโชวลวนะนังก็ขยี้ไป แล้วก็เห็นความเศร้าหมองของพาแล้วก็เลยนึกว่าเอ๊ะี่แสดงว่าร่างกายเราเศร้าหมองแล้วก็ลึกเข้ามาถึงจิตจิตเราก็เศร้าหมองด้วยไม่ใช่โสดกปลกเฉพาะร่างกายร่างกายกรเราโสดกจิตใจเราโสดกปลกกว่าสกรปรกด้วยกิเลสแล้วก็ค่อยๆคืบเข้าไปหาความโสดกปลกคืออนิจจังทุกขังหน้าตาซึ่งเป็นปฏิกูล ของขั้นปรมาณ์นะปฏิกูลนีนมีปฏิกูลสมมติกับปฏิกูลอย่างที่เราว่าตัวปกนี่แหละแล้วดีนี้อาจจะเป็นปฏิกูลแบบชีวภาพกับแบบวิทยาศาสตร์ใช่ไม่ใช่ปฏิกูลแบบวิทยาศาสตร์น่ากลัวปฏิกูลแบบเข้าถึงสภาวะเข้าถึงความปฏิกูลของสภาวะปรมาณ์น่ะนาลังเกียจน่า หน ย, ยิ่งกว่าความปฏิกูลก็เลยเนี่บรรลุเป็นพระอริยะทีนี้พระพุทธเจ้าเนี่ยมาทรงประทานผ้าเสร็จแล้วทรงสเสด็จไปสู่ที่นีมนซึ่งไม่ไกลจากที่นั้นนะ่ะพอไปถึงที่นีมนโยมก็กําลังเตรียมประเคนก็เวลาประเคนก็จะใส่บาตรพระพุทธเจ้าก่อนพระเจ้ทาทรงทํารหัตปิดปากบาตรหมอชีวกก็ถามมาเพราะอะไรพระพุทธเจ้าขะาท่านบอกว่า ในวัดยังมีพระเหลือองค์ให้ไปนิมนต์มาก็ส่งทนายไปนิมนต์มาพอไปถึงก็เห็นพราเต็มวัดทิ่นี่ว่านะก็กลับมารายงานลูกพี่บอกว่าไหนว่าพระเหลือองค์นั้นตั้งพระมากกว่าที่นี่พระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าให้ถามว่าใครชื่อจุลปันถกจะให้นิมนต์องค์นั้ น, น, นมาก็ไปอีก ไปถามปรากฏทุอองต่อว่าจุลปันถกหมดก็กลับมาอีกคราวนี้หมอชีวกรู้แล้วหมอชีวกนี่เป็นโสดานะเริ่มไหวทันรู้แล้วว่าโอ้ไม่ต้องไปถามมุติเจ้าแล้วให้ทำไงบอกว่านี่ไปแล้วไปถามว่านิมนท่านจุลปันถกแล้วก็ใกล้องคไหนดึงชายดีวอนมาเลยก็ทําตามพอดึงชายดีวอนองหนึ่งที่เหลือนอกนั้นหายหมดมากระโยมมาสู่ที่ เอฉันก็เรียบร้อยเอพอฉันเสร็จแล้วเนี่ยี่เป็นความรู้เป็นหลักฐานอันหนึ่งนะฮะที่นักบรรยายธรรมควรจะต้องรับทราบแล้วก็ทรงอันนี้ไว้ด้วยว่าเมื่อมาฉันเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าทรงรู้ว่าควรจะทําอะไรปกติเวลาฉันเสร็จแล้วพระเจ้าจะอนุโมทนา ทรงให้หม อ, อ, อทรงให้ท่านจุลปันโธเนี่ยอนุโมทนาจากพระที่ก่อนหน้าบรรลุเนี่ยคาถาบทเดียวไม่ได้อยู่ในสมองเลยถึงบัดนี้แล้วกลายเป็นผู้ทรงพุทธวัจนะอนุโมทนาได้อย่างอย่างกถ้าพูดอย่างสำนวนเราก็ยังก็มหาปเปรียงก้าวระโยกทุกคนก็พากันแปลกใจพี่โดยเฉพาะพี่ชาย ท่านก็บอกว่าความแตกฉานในปริยัตินั้นท่านได้มาพร้อมกับการบรรลุมรรคเราเคยได้ยินเรื่องมรรคกสิติจานฌานปรากฏพร้อมกับมรรคตรงนี้เป็นจะจะเรียกก็เห็นจะเป็นเป็นอภิญญานะท่าน ไม่ผมก็ไ ม, ไม่ยังไม่เจอคําที่ท่านเรียกที่มันสวยๆเหมือนอย่างมัคคติทธิชานเช่นจะเรียกว่าอาปฏิสัมพิทาสิทธิชานอะไรอย่างนี้นะฮะก็ไม่มีเรียกหรือปริยัตหรือคันธาตุรสิทธิชานอะไร่งนี้ก็ไม่ไม่ได้ยินว่ามีเรียกอย่างนี้ไม่เคยเห็นแต่เอาความว่าปริยัติ อันบุคคลได้บรรลุโดยไม่ได้เรียนพร้อมกับการบรรลุธรรมีอยู่แต่ไม่ใช่ทุกองนะคะคนจะบรรลุอย่างนี้ได้ต้องเป็นคนมีบารมีทางปริยัติเช่นว่าสอนปริยัติมาแล้วก็ทำความปรารถนาเมื่อบรรลุเนี่ยกขขอให้แตกฉันในพระปริยัติ ด, ด้วยในทางอธิบายทั้งสิ่งที่ได้ฟังแล้วทั้งสิ่งที่เป็นในจากสมมติว่าฟังแค่พระเจ้าแสดง ธรรมจักรกบพัตนาสูตรนอกนั้นพุทเจ้ายังไม่เคยเทศอะไรเลยแต่ฟังธรรมจักรกบพัตนาสูตรสูตรเดียวเนี่ยความแตกฉานเก่าได้เป็นตัวขยายีส<ม><ม>อดคล้องกับในของธรรมจักรได้และเมื่อได้ฟังอีกก็สามารถที่จะเข้าใจได้โดยทะลุปุหลงดังเชิงว่าเราเองถ้าหากว่า คิดจะเป็นคนที่ได้ทั้งคันตตุลาวิปัสสนาตุลาเนี่ยนะต้องทํากุศลในทางคันตตุลาไปด้วยเช่นว่าสอนธรรมะเอาธรรมะไปเที่ยวเผยแพร่พิมพ์หนังสือธรรมะพิมพ์รพระไตรปิฎกอะไรต่รางๆพระไตรปิฎกดีสุดเป็นเป็นทางรัฐที่ช่วยเราทําแล้วอธิษฐานช่วยถึงไม่ได้สอนนะก็จะมาเป็นเครื่องเสริมบา ร, รมีนั่งใครที่ทําอย่างเนี้ยแล้วก็ใช้เป็นบา ร, รมีประกอบ ปฏิบัติอยู่แล้วก็ช่วยได้เยอะเลยเพราะปฏิบัติแล้วเนี่ยมาเรียนก็แตกฉานได้เร็วทำบุญทางใดก็เอาเข้าไปพนกเพิ่มพลังบารมีในส่วน น, นั้นๆได้แรงกว่าคนไม่ใช่เป็นนักปฏิบัติ น, นี้ก็เป็นเป็นความเชื่อของผมด้วยเป็นข้อเท้จริงในทางหลักด้วยแล้วก็เป็นสิ่งที่อยากจะเสนอพวกเรา ที่เห็นความสําคัญของตุลา ส, สองอย่างนี้ให้รับเอาเป็นภาระทั้งสองอย่างเป็นบารมีคู่ตัวไปกลายเป็นคนละคนเลยครับเป็นคนละคนเลยเห็นจะว่าพี่ชายจะต้องอายละทีนี้ท่านจึงเ อ, อเทียบไว้ว่าพี่พี่ชายนะเป็นผู้ได้รับความยกย่องในทางเปลี่ยนปัญญาจากสมาธิไปต่อเป็นใจของท่านเนี่ย เป็นผู้แต่เป็นผู้ได้รับยกย่องเปลี่ยนไปทางใจเปลี่ยนแปลงทางใจใจมาเป็นชี่รื่อของจิตหรือสมาธิข้อนีนะ้หมายความว่าท่านเองเนี่ยเมื่อเข้าฌานแล้วก็เอามาต่อเป็นอภิญญาท่านจะทำได้อย่างเชี่ยวชาญไม่ได้แปลว่าท่านหมาปันถกทำไม่ได้แต่เชี่ยวชาญอย่างท่านเนี่ยไม่ได้ เพราะฉะนั้นเมื่อท่านจะจำแลงตัวเป็นพันเนี่ยท่านจึงท่านเนี่ยคือในคมภีร์บอกว่าถ้าเป็นพระองค์อื่นเมื่อจะจำแรงกายเป็นพันเนี่ยหรือหลายๆองค์เนี่ยอาจจะหน้าตาเหมือนกันต้องทํากิจอย่างเดียวกันอย่างนี้นะแต่ของท่านไม่อย่างนั้นท่านทำอย่างการยมกกับปฏิหารยมกกับปฏิหารเนี่ยแปลว่าทําสวนทางกันได้ทําไปคนละทิศละทางได้ ในปฏิกรรมที่เกิดขึ้นจากอภิญยาสองอย่างขึ้นไปเนี่ยคือพระพันองค์นุ่งหม่มจีวรก็ต่างกันต่างๆไม่ใช่หม่มไม่เหมือนกันนะคนละสีคนละสภาพกันองค์นั้นอดิเลกจีวร อ, องค์นี้บางสกูลจีวรในเงนี้ยนะแล้วก็ทรรมกิจต่างกันหน้าตาก็ต่างกัน นี่เป็นเรื่องทํำยากแต่ท่านจุลปันถกนั้นเกือบจะเป็นหนึ่งในไม่ถึงห้าองค์นะถ้าจะว่าไปที่ทําได้อย่างนี้นี่เป็นพลังวิเศษของท่านพี่ชายทําไม่ได้เรื่อง อ, ออกจากฌานแล้วต่อวิปนะัสสนาท่านรำของท่านจนเป็นอาหารหันต์แล้วไม่ต้องพูดถึงแล้วพี่ชายก็เป็นอาหารหันต์แล้วไม่ต้องพูดถึงแล้วแต่ว่าพี่ชายเนี่ยเมื่อจะเข้าผาสุขวิหารธรรมเข้าฌานแล้วออก ต่อเป็นวิวัศนาท่านสะดวกท่านชำนาญท่านทางนี้จึงได้รับยกย่องทั้งพี่ทั้งน้องโดยอาการเปลี่ยนฌานเป็นอะไรต่างกันดังกล่าวมานี้อา้าวทีนี้ก็มาต่ออีกรูปหนึ่งรูปต่อไปนั้นเป็นรูปที่สองร้อยสามสิบเจ็ดคือรูปที่มีชื่อว่ากัปปะท่าน กับปะเป็นบุคคลที่เกิดในราชสกุลนครเล็กนครหนึ่งในแควนมคตแล้วก็ได้ครองราชสมบัติเล็กๆนั้นแทนพระราชบิดาสืบต่อมาแต่เป็นคนที่มีอัธยาศัยมากๆในกามมคุณนี่เป็นเป็นปิมพวิกษสัต์ที่สั่งสมกิเลสมาในทางนี้คือราคาจริต ไอ้ราคาจริตนี่ก็ในรายละเอียดแตกต่างกันไปอีกครับว่าราคาจริตหนักไปในทางเรื่องอะไรแล้วก็ทางหนึ่งก็คือทางเมทุนสมาจารของท่านน่ะหนักไปนในทางเมถุนสมาจารในคัมภีร์ถึงก็ใช้คําว่าเป็นผู้ยินดีมากในกาลมาคุณเหลือประมาณเหลือประมาณคือเหลือกําหนดเหลือที่จะกําหนดบอกได้ว่าแค่ไหนแต่ว่าเป็นคนที่มีบารมี ก็อันนี้เขาเรียกว่าสายสายโลภะถ้าเป็นองค์คริมันนะสายโทสะสายปานาธิบตัติก็ไปก็าลายอย่างของอย่างเป็นของป่าปนมากับบรรมีในทางบรรลุพระพุทธเจ้าทรง แ, แผ่ขายพยานมาก็เวลาแผ่ขายพยานเนี่ยนะจะมามีบุคคลมาติดคล้ายๆติดเป็นภาพในหัวใจแล้วก็ทรงพิจารณาเจาะเข้าไปจะเห็นอินทรีย์ นี่คือบารมีส่วนดีจะเห็นอนุใสสิ่งสังสมส่วนชั่วที่ติดมาต้องต้องดูสองอย่างนี้เสมอไม่ใช่ดูอย่างเดียวครับเพราะว่าการดูสองอย่างนั้นสองอย่างนั้นจะมีผลต่อการนำเอาไปยกระดับจิตอันเดียวไม่ได้นะนี่จาไว้เลยอิทธอารมณิสาลมเนี่ยก็ไม่ต้องเป็นของครูกันและต้องเป็นของที่ต้อง เป็นฐานของการปฏิบัติสางคิตคุณเดิมสองอย่างก็ต้องเป็นฐานในทางการปฏิบัติสางคิตยอย่ารังเกียจเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นหลักตรงนี้ถ้าเราชัดเจนแล้วไม่เคยรังเกียจคนที่เขาจะเป็นคนโลภมากเขาจะเป็นคนยังไงยังไงเนี่ยนะแล้วเพราะอะไรแล้วเรามองเออคนนี้ก็มีดีตรงไหนอย่างที่พูดมันอาจจะต่างที่ว่าบางคนเนี่ยระดับความดีความชั่วนะั้นมันไม่ ไม่ไม่เป็นดุลหรือไม่เป็นประโยชน์ที่จะถึงทําให้บรรลุได้อย่างนี้ก็ไม่ติดขายถ้าติดขายก็คือว่าเป็นประโยชน์ที่จะบรรลุได้ก็จะติดขายชั่วแค่ไหนก็ไม่สําคัญถ้าอินรีย์กล้าพอจะบรรลุได้เป็นอันใจได้ก็จึงโปรดการโปรดก็ ทรงใช้วิธีการสำหรับองค์นี้นะไม่ได้ไปสดๆคือบางที่เนี่ยเราก็ต้องเข้าใจนะว่าไม่ใช่ที่สำหรับไปสดๆอย่างพระราชาอยู่ในวังเนี่ยไม่ควรไปสดๆเพราะไปสดเนี่ยเรียกว่าเรื่องเยอะแต่ถ้าไปโดยแผ่ขายเนี่ยคนอื่นไม่เห็นจะอยู่ประทับอยู่ในห้องนอกห้องในพระพุทธเจ้าเข้าได้ทั้งนั้น แล้วคนอื่นไม่เห็นแล้วคนอื่นไม่ติได้ ว, ว่าอทําไมพระเข้าวังไม่รู้ตามาไม่ดูตามาตาเรืออะไรย่างนี้นะถึงแม้จะมีคนอื่นอยู่ด้วยก็จะเห็นคนออกคนเดียวท่านกากับได้เป็นภาพที่ฉา ย, ยาเฉพาะบุคคลและสิ่งที่ท่านสอนอย่างเป็นบุคภาคเลยนั้นก็คือทรงสแสดงเรื่องอาสุภากสมฐาน ค่อยๆนำเข้าไปด้วยวิธีการสมมติว่าเริ่มจากวิธีนี้ก็คล้ายๆกันคนอื่น น, ะนาเข้าไปครั้งแรกเป็นอารมณ์ที่สวยงามก่อนแล้วค่อยๆทำให้ไม่สวยงามภายหลังเล่าบ่อยแล้วไม่ไม่ขยายความนะก็คือหลักตรงนี้และหลังจากนั้นเมื่อใจสลดอินทรีย์ก็เติบกล้าขึ้น เนี่ยนะคือคนเราเนี่ยพอกิเลสไอไอทีมันเป็นนิสัยใหญ่กิเลสใหญ่มักบังอยู่เนี่ยอินทรีย์มันโดนตสกัดความดีโดนสกัดพอเอาไอไอกิเลสใหญ่ออกเนี่ยอินทรีย์มันสะดวกที่จะเกิดมันก็เกิดบางทีเกิดทันทีเลยบางทีก็สกิปซะหน่อยเกิดเลยท่านจึงได้แสดงธรรมต่อเป็นการแสดงธรรมที่ ที่เรียกว่าปฏิบัติไปด้วยนั่นแหละบรรลุเป็นพระอราหันต์เลยนี่เป็นตัว